สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่ห้าร้อยสี่พระเยซูในพระธรรมฮีบรูเก้าพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่ห้าข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สิบพระธรรมฮีบรูบทที่ห้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าฝ่ายมหาปุโรหิตทุกคน ก็เลือกมาจากมนุษย์และแต่งตั้งไว้ให้แทนมนุษย์ในบรรดาการซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าคือนำเครื่องบรรณาการและเครื่องบูชามาถวายเพื่อลบล้างบาปท่านแสดงใจอดทนนานด้วยความรักต่อคนเขาและคนหลงผิดด้เพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเช่นเดียวกันกับมนุษย์ทุกคนเพราะเหตุนี้ท่านจึงต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาป ทั้งของตัวเองและของคนทั้งปวงด้วยและไม่มีผู้ใดตั้งตนเองเป็นปุโรหิตได้แต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างส่วนเรียกอาโรนในทำนองเดียวกันพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิตแต่ทรงรับพระเกียดนี้จากพระเจ้าผู้ได้ตรัสกับพระองค์ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดท่าน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 ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้สรงทนและเมื่อพระเจ้าทรงทําให้พระเยซูเ <c oughs> พียบพร้อมทุกประการแล้วพระองค์ก็เลยเป็นแหล่งกําเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฟังพระองค์โดยพระเจ้า ได้ทรงตั้งพระองค์ให้เป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมลคีชายเด็กพี่น้องครับเมื่อวันก่อนนั้นผมจบลงที่ข้อที่สิบห้าของบทที่สี่ข้อที่สิบห้าของบทที่สี่นั้นความว่าเรามีมหาปุโรหิตที่เราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถ จะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแปลว่าเรานั้นมีพระเยซูซึ่งเป็นมหาผลิตที่เข้าใจเห็นใจความอ่อนแอของเราครับและพระองค์นั้นได้ถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการแม้กระั่นั้นก็ดีพระองค์ก็ยังปราศจากบาปนี่คือไอดอลของเรานะครับก็คือเป็นต้นแบบครับต้นแบบชีวิตของเราก็คือว่าเรามีพระเยซูผู้ทรงอยู่ เนื้อการทดลองชนะการทดลองแม้ว่าพระองค์จะอ่อนแอเหมือนเราเป็นเนื้อเป็นหนังเหมือนเรามีความต้องการเหมือนเราและถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการนะครับพี่น้องครับเรามีมหาผริตคือพระเยซูที่เห็นใจในความอ่อนแอของเราครับเพราะว่าพระองค์ได้ถูกทดลองเหมือนกับพวกเรา และเป็นความหวังของเราที่เราจะถูกทดลองแล้วเราจะไม่ทํำบาปแบบที่พระองค์ไม่ทําเมื่อมาถึงทีบรูบทที่ห้าเราเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นอยู่เหนือบุโรหิต ท, ทุกทุกคนพระเยซูอยู่เหนือมหาบุโรหิต ท, ทุกๆกคนด้วยครับนอกจากนี้ตําแหน่งบุโรหิตมหาบุโรหิตของพระเยซูนั้นไม่ได้สืบทอดมาทางอาโรน นะครับแต่พระเจ้าทรงสืบท อ, อดตำแหน่งปุโรหิต น, นี้มาทางปุโรหิตที่ลึกลับคนหนึ่งครับในพระมพีเดิมในผสมการชื่อเมลคีเซเดกพีน้องครับเราจะมาดูกันนะครับว่าพระเยซูอยู่เหนือมหาปุโรหิตระเยซูไม่เหมือนมหาปุโรหิตที่อยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรครับในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สาม เราจะพบว่าเพิ่มพีอ่านได้ความว่ามหาปุริหิตที่ถูกมนุษย์เลือกขึ้นมาก็ได้ถูกแต่งตั้งไว้สําหรับมนุษย์ในการเกี่ยวกับพระเจ้าก็คือการนําเครื่องบรรณาการเครื่องบูชามาถวายเพื่อจะลบล้างความบาปอันนี้คือฟังก์ชันหรือหน้าที่ของปุริหิตที่พระเจ้าตั้งไว้ปรุรหิตที่เป็นมนุษย์นั้นเขาเอจะต้องมีใจเมตตากรุณานะครับ กับคนที่หลงผิดคนบาปเพราะในในท่านเองหมายความว่าคือมหาปุโรหิตที่เป็นมนุษย์นั้นธรรมดาท่านต้องมีความอดอ่อนแอ น, นะครับท่านต้องถวายบูชาเพื่อความบาปของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับว่าจุด ป, ประสงค์ของมหาปุโรหิตที่อยู่ในโลกนี้นะครับ ผมอยากจะสรุปเป็นประการประการไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งปุโรหิตถูกกําหนดหรือแต่งตั้งขึ้นโดยพระเจ้าโดยบรรดาการซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเจ้านะครับเพื่ออะไรครับเพื่อทําประกอบพิธีของพระเจ้าประการที่สองครับปุโรหิตนั้นเขาต้องถวายเครื่องบรรณาการเครื่องบูชาต่างๆเพื่อไถ่าบาปที่แท่นบูชาของพระเจ้าในนามของประชาชนประการที่สามครับ เขาจะต้องมีใจเม่ตากรุณาต่อคนโง่คนโง่ในที่นี้นะครับมีความหมายว่าคนที่ไม่มีความรู้นะครับคนโง่หมายถึงว่าไม่มีความรู้ในฉบับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับได้เขียนอย่างนี้นะครับว่าท่านจึงต้องถวายบูชาเพื่อลบล้างบาปนี้ทั้งของตัวเองและของคนทั้งปวงด้วยไม่ได้พูดถึงเรื่องคนโง่นะครับแต่ว่าในภาษาเดิมนั้น เขียนว่าคนโง่ครับนะมีความหมายว่าคนที่ไม่รู้นะครับประการที่สี่ครับเขาจะต้องมีใจเมตตากับคนเหล่านั้นที่หลงผิดนะครับหลงผิดนั้นมีความหมายว่าถูกหลอกลวงครับคนที่ถูกหลอกลวงก็คือคนที่หลงผิดไปเห็นผิดเป็นชอบไปนะครับอันนี้คือประการที่สนีะ่นอกจากนี้นะครับบุรุษหิต ท, ที่สืบเชื้อสายมาทางอารมณ์บนโลกนี้ก็ มีความอ่อนแอเหมือนเหมือนกันหมดทุกคนปุโรหิตแบบอารอลของชนชาติอิสอุเอลนั้นจึงจาเป็นจะต้องถวายบูชาแา่บาูชาไม่ใช่เพื่อความบาปของตัวเอง <c oughs> เท่านั้นแต่เพื่อความบาปของประชาชนครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่เหนือมหาปุโรหิตแบบมนุษย์ นะครับเพราะนะครับเพราะพระองค์ไม่ได้มีบาปครับโปรดฟังครั้งนะครับความเหนือกว่าของพระเยซูนะครับความเหนือกว่าของพระเยซูที่มีต่อมหาพุทธทุกคนนะครับก็คือพระองค์ไม่มีบาปเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ต้องถวายบูชาเพื่อพระองค์เองครับพระองค์จึงไม่ต้องถวายบูชาเพื่อความบาปของพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปโดยย่อของเนื้อหาก่อนหน้านี้ก็คือว่า บรรดาผู้ผิตในพระกัมพีเดิมถูกพระเจ้าแต่งตั้งขึ้นมาพวกเขาจะต้องเห็นอกเห็นใจประชาชนที่พวกเขาคอยรับใช้โดยตะหนักว่าพวกเขาก็หลงผิดเหมือนกันแต่พระเยซูครับพระองค์ไม่ได้หลงผิดพระองค์ไม่มีบาปแต่พระองค์ก็ยังเห็นอกเห็นใจประชาชนผงก็ยังเห็นอกเห็นใจพวกเราที่เป็นคนบาปและทำบาป ในข้อสี่ครับพัมพีพูดตอบว่าไม่มีผู้ใดแต่งตั้งตัวเองสําชับเกียรตินี้เว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างที่ทรงเรียกอารณุณสิ่งที่ชัดเจนนั้นถูกกล่าวซ้ำอีกครั้งครับว่าไม่มีมหาปุริตคนไหนหรือไม่มีปุริคนไหนในสมัยพมพีเดิมที่ตั้งตนเองสําหรับเกียรตินี้การทรงเรียกของเขานั้นมาจากพระเจ้าครับผ่านทางการสืบเชื้อสายผ่านทางการฝึกฝนผ่านทางตําแหน่ง ครับสืบเชื่อสายอย่างไครครับสืบเชื่อสายมาจากอาโรนฝึกฝนยังไงครับฝึกฝนมาจากมหาปรุรหิตรุ่นพ่อรุ่นพี่นะครับและรับการแต่งตั้งจากพระเจ้าก็คือมนุษย์เลือกเขาขึ้นมานะครับเมื่อมนุษย์เลือกเขาขึ้นมานะครับก็มาให้พระเจ้าแต่งตั้งประเด็นที่ผู้แต่งภาษาผู้แต่งฮีบรูต้องการจะบอกก็คือว่าการรับใช้นะครับโดยทั่วไป ของตําแหน่งปุโรหิตนั้นก็มาจากการแต่งตั้งของพระเจ้านะครับโดยการเลือกตั้งที่มาจากมนุษย์สืบเชื้อสายมาทางอาโรนนะครับคนที่อยู่นอกตระกูลของอาโรนนะครับไม่ใช่เลวีก็เป็นไม่ได้อะในทานองเดียวกันครับในข้อที่ห้าครับพระเยซูคริส ก, ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระ อ, องค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิตแต่เป็นโดยพระเจ้านะครับในข้อนี้คั้งพีโคดใน พระคัำีเดิมนะครับโค้ดมาครับว่าผู้ได้จัดกับพระองค์ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กําเนิดท่านและจัดอีกแห่งหนึ่งว่าท่านเป็นปุโรหิตเช น, นิดตามแบบอย่างของเมลเคีเซเดกนะครับพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูครับว่าเมลเคีเสเดกนั้นเป็นใครนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมพัม์กางอ่นะพี่น้องครับในวันนี้เนี่ย คำสอนหรือบทประยุกต์ที่เราอยากใช้ก็คือว่าเรารู้แล้วครับว่าพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตที่พระเจ้าแต่งตั้งครับเป็นบุตรของพระเจ้านะครับเป็นผู้ที่พระเจ้านั้นได้ให้โปร่งมาในโลกนี้นะครับเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ของมหาปุโรหิตก็คือการถวายบูชานะครับ แต่พระองค์เหนือกว่ามหาโพธิตคนใดๆในโลกนี้เลยเพราะเนื่องจากว่าพระองค์ไม่ต้องถวายบูชาเพื่อพระองค์เองเพราะพระองค์ไม่มีบาปครับแต่พระองค์เอาตัวของพระองค์เอาชีวิตของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าเพื่อประชาชนเพื่อคนที่พระเจ้าทรงรักก็คือมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ทุกๆคนมนุษย์ทุกคนนั้นสามารถเข้ามาหา พระเจ้าได้โดยผ่านทางมหาปุโรหิตนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเปรเยสุ k r ต t นั่นเองครับเพราะฉะนั้นขอให้เราเข้าใจเรื่องนี้เพราะเราจะได้เห็นต่อไปครับว่ามหาปุโรหิตนั้นทําอะไรเพื่อเราบ้างขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความไว้วางใจและพึ่งคามหามหาปุโรหิตผู้นี้ในการชําระความบาปของเราทั้งหลายอาเมน